นี่ร ก, การเปิดธรรมที่ถูกปิดภาพออนไลน์เอพิโซดที่94เอพิโซดที่94นี้เราได้พูดถึงเรื่องของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในที่กอลิงมาทดลองเราได้พูดถึงเรื่องความยุติธรรมในที่เกิดจากการทดลองอันนี้เราได้พูดถึงเรื่องของอเนื้อนาบุญแล้วก็ตั้วคำถาม ท, าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติด้วยอาจารย์มาพระไบุญก็มาพร้อมกับคุณหมอณัฐพงศ์ครับกลับนอสการครับกระผมทันตแพทย์ณัฐพงศ์กนกวิรุณครับ วันนี้เรามาให้ท่านผู้ฟังนอกจากฟังแล้วเนี่ยนะยังให้ดูข้อมูลด้วยก็คือว่าในในโพสที่เกี่ยวกับ podcast ตอนที่94เนี่ยนะก็มีวิดีโอที่ attach ไว้ด้วยแต่นะถ้าใครยังไม่ได้ดูดวิดีโอก็ไปดูคลิปวิดีโอตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับท่านเออเกี่ยวกับเรื่องการทดลองของลิงสองตัวแต่นะถ้ายังไม่ได้ดูก็จะเล่าให้ฟังตอนนี้เลยนะคือมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเอา ลิงสองตัวมาทดลองขังอยู่ในกรงอยูนะ่โดยเอาลิงตัวแรกเนี่ยคือคือลิงเนี่ยจะมีหน้าที่ที่ทำกับผู้เลี้ยงนะก็คือว่าเขาจะต้องเอาหินที่อยู่ในกรงของเขาเนี่ยเอาให้ผู้เลี้ยงถือว่าเป็นเป็นงานที่ต้องทำนะพอตัวเองทำงานที่ให้หินแล้วเนี่ยนะก็จะได้รับรางวัลรานะงวัลที่จะให้ได้ให้เนี่ยก็คื อ, อเป็นเป็นแตงกวา อ, อ๋อแตงกวาเป็นแตงกวาที่ให้ลิงทั้งสองตัวนี้กินเป็นอาหารที่ก็เรียกว่าถ้าแต ง, แตงกวาสําหรับลิงมันก็คงจะดีนะทีนี้พอลิงตัวแรกเอาหินให้ใ น, นยายวาิทย์คนเลี้ยงก็เอาแตงกวาให้ลิงตัวที่สองเอาหินให้คนเลี้ยงก็เอาแตงกวาให้เนี่ยเป็นไปอย่างนี้ได้รับการฝึกมาเรียบร้อยแล้วทนะีนี้ในการทดลองอันนี้เนี่ยเขาต้องการจะทดสอบเรื่องของความยุติธรรม เขาก็เลยเอาลิงตัวแรกมาขังคู <S 2> <S 2> ่กับลิงตัวที่ ah> 2แต่ว่ามีกระจกกั้นเห็นกันได้เห็นกันได้สตัวนี้เห็นกันได้แต่ว่าไปคือจับต้องกันไม่ได้แล้วก็ระหว่างคนเลี้ยงกับกรงระหว่างคนเลี้ยงกับตัวลิงทั้งสองเนี่ยก็มีกรงกั้นอยู่ก็มีกรงกั้นอยู่ทีนี้งานที่ให้ทํำก็คือเอาให้เอาหินมาเอาหินที่อยู่ในกรงมาลิงตัวแรกก็เอาหินมาก็ได้รางวัลก็คือแตงกวาแตาทีนี้พอตัวที่2 พอถึงคราวตัวที่สองก็เอาหินมาให้ทีนี้คนเลี้ยงเนี่ยไม่ได้ให้แตงกวาละ<อ>ให้อ้งุนมอระบงั้งุนองุนเนี่ยจัดว่าเป็นอาหารชั้นเลิศสำหรับลิงนะอืมหอมหวานอ่าทั้งหวานทั้งชุ่มคอทั้ง อ, ร, อร่อยครับนะองุชนชนิดไม่มีเม็ดนะครัลิงลิงชอบมากเลยทีนี้พอไอ้เจ้าลิงตัวแรกเนี่ยมันเห็นลิงตัวที่สองเนี่ยมันได้อ้งุนของดีกว่าเออมันก็ดูดูอยู่อย่างนี้ครับนะทีนี้เขาก็ให้งานมันทําเหมือนเดิมอีก โดยการเอาหินนะให้หยิบหินมาให้นะก็เลยหยิบหินมาให้เสร็จปุ๊บคนเลี้ยงเนี่ยก็เอาแตงกวาให้เหมือนเดิมเอาแตงกวาให้เหมือนเดิมลิงตัวแรกนี่ก็เขามาดมดมอ้าวที่มันแตงกวานี่ก็โยนแตงกวากลับไปที่คนเลี้ยงเลยอ๋อเริ่มไม่พอใจเริ่มไม่มพอใจแล้วอา้าวทำไมตัวนั้นมันได้องุ่นรถเลิศแล้วทาไมฉันได้แตงกวาจืดชืดเหม็นเขียวต่างหาอย่างนี้นะครับต่างๆที่ตอนแรกเนี่ยได้แตงกวานี่ก็สบายใจดีไม่มีปัญหาอะไรใช่ครับ นะการทดลองอันนี้เขาเขาก็ทำซ้ำอีกแล้วนะโดยเอาลิงตัวที่สองมาทำเหมือนเดิมให้แตงอาให้องุ่นให้งุ่นรดเลิศนะลิงตัวแรกกลับมาอีกทำอีกนะให้แตงกวาอีกคราวนี้มันก้าวรามากยิ่งขึ้น<อ>นะเขย่ า, ยากรงนะจะไปดูใช่าไอตัวนะั้นมันเป็นยังไงแต่มันมีกรงกั้นอยู่นะนะคือเขาทำการทดลองเพื่อนจะบอกว่าถึงความยุติธรรม ว่าดิงเนี่ยมันก็รู้จากความยุติธรรมนะอ่าทีนี้ที่เราต้องการพูดถึงเนี่ยคือเขาจะจะเน้นในในการทดลองเนี้ยในวิทยาศาสตต้องการบอกว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมที่เขาได้รับคือเขาบอกว่าศีลธรรมคุณธรรมในบุคคลเนี่ยหนึ่งในองค์ประกอบที่ทําให้บุคคลมีคุณธรรมบุคคลมีศีลธรรมเนี่ยตรงนั้นต้องเป็นความยุติธรรมอ๋อภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าแฟร n e s s อ๋อแฟร์เนส ท น, นี้อาจารมาดูแล้วก็รู้สึกเขาเรียกว่ามีข้อที่จะเป็นประเด็นให้เลยเามาคุยกันในรายกา ร, รประเด็นอะไรบ้างครับ<น>ก็คือว่าจริงๆแล้วความยุติธรรมเนี่ยหมอนทธิพงศมันมันถ้าถ้าเอาเอ า, เอาพุทธวจนะก่อนนะอย่างบุรุชาพูดถึงความเสมอกันอย่างเงี้ยนะของพระอรหันต์ของพระอริยสาวกของอาสิติมหาสาวก ข, ของบุรุชาเนี่ยเสมอกันที่มีม อ๋อใช่ครับอ่าเสมอกันที่บ<ป>ีมมดนะ<ป><ป>นี่ปปเป็นพุทธวจนะที่ยืนอันอบายครับทีนี้ในความเสมอกันตรงนี้หมอระพงเรามาดูดีๆเนี่ยนะพระเช้าก็บอกไว้แล้วนะว่าในสัตว์สองเท้าทุกประเภทเนี่ยนะไม่มีใครที่จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเลิ่อไปกว่าส ม, สมาสมพุทธเจ้าอ๋ออันนี้ใช่ครับก็แสดงว่าแม้แต่ตัวพระอรหันต์เองแต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละท่านนะ เอาตั้งแต่อัครมหาสาวกสองรูปเลยนะอสิติมหาสาวก80รูปจนถึงบัลลังทั่วๆไปทั้งหมดเนี่ยมีศีลสมาธิปัญญาไม่เท่ากันนะหมอระพงไม่เท่ากัน ม, มีความแตกต่างเอาอย่างเราบอกว่าอันนี้คือเรื่องที่บรญเช่าสอนเอาทางโลกเอาทางในโลกของเราเรา บ, บอกว่าไอ้ทุกคนต้องยุติธรรมนะได้เท่าเทียมกันนะความยุติธรรมเนี่ยหาตรงไหนหมอรพงอย่างสมมติบอกว่าไอ้คนนี้มันเกิดมาเก่งเลขเนี่ยใช่ครับเขาเก่งเลขเนี่ยอีกคนนึง เ, เกิดมาไม่เก่งเลขอ่ะ มันก็ไม่เท่ากันแล้วต่อให้คุณจะไปสอนเอาเขาเข้าโรงเรียนติวหนังสือนะสอนแบบชนิดจับยัดจับให้ท่องให้จําเนี่ยมันก็เก่งขึ้นมาได้แค่ยี่สาสิเปอร์เซนตอืมจริงครับไม่ได้ว่าจะเก่งชนิดที่เรียกว่าเหมือนคนเกิดมาเขาเรียกว่าบอนดกิฟตเต็ดนะอเกิดมาเก่งเลยมันมันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ครับเพราะฉนั้นถามว่ามันยุติธรรมมอ่ะไหนความยุติธรรมมันไม่มีนะไม่ไม่เท่ากันห้านิ้วก็ไม่เท่ากันแล้วครับอ่าแล้วความยุติธรรมที่จะบอกว่า เอ อ, เ อ, อทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะทําอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ถูกจํากัดด้วยข้อจํากัดบางอย่างใช่ครับมีเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันใช่เพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ความยุติธรรมความยุติธรรมเนี่ยออในสังคมเนี่ยมันมันก็แค่มาชนิดว่ามาหลอกเฉยๆครับมามาชื่คือมีทั่วไปอ่ะเหมือ น, น, นปลอบใจออกันว่าเกิดมามีหนึ่งเสียงเท่ากันอืครับแต่จริงๆแล้วผู้ชายผู้หญิงเนี่ย ก็มีความสามารถไม่เหมือนกันอยู่ละไม่เท่ากันครับ<อ>าากาลังวงชาผู้ชายก็มากกว่าใช่อย่างผู้หญิงก็มีความสามารถทางด้านอื่นแต่ที่ผู้ชายก็ทําไม่ได้ครับดัง น, นั้นมันไม่ได้เกิดมาเท่ากันอยู่แล้วตั้งแต่เกิดไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้ น, นถ้าเราจะมาหาความเท่ากันเนี่ยในระบบสมมุติเนี่ยมันไม่มี <zijn S 2> ่า้าความเท่ากันในระบบสมมติเนี่ยมันไม่มีครับแต่พระเจ้าจึงบอกเสมอกันนู่นที่มีมุตตนั่นแม้แต่เส้นทางหมรหลงเส้นทางที่จาไม่ไปถึงความเป็นวิมุตต์หลุดพ้นเนี่ย ก็แต่ละคนก็มีไม่เท่ากันอ๋อไม่อินซีเอยพละเอยมักพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะถ้าไม่งั้นมันต้องผวงขึ้นมาพร้อมๆกันหมดจริงครับบางคนฟังทำเรื่องเดียวกันเวลาเดียวกันแต่เกจ<ค>ไม่เหมือนกันใช่ครับเกจไม่เหมือนกันนี่เพราะว่าพละอินทรีย์ของเขาไม่เท่ากันครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมันไม่เสมอกันแน่อันนี่คือประเด็นเรื่องของความความเสมอกันก่อนนีที่ที่ต้องการพูด เนี่ยว่าเวลาที่เขาต้องการจะทดสอบความเสมอกัรเนี่ยเขาก็เอาลิงเนี่ยนะมาทดสอบอีกครั้งหนึ่ง<อ>แล้วก็จะกลับไปเรื่องลิงลิงอีกครั้งหนึ่งนั่นคือลิงตัวแรกที่ได้แต่งกวาอยู่เรื่อยๆเนี่ยรเริ่มขุนล้ว่มมัวลแล้วนะมันก็เอาหินของมันเนี่ยไปทดสอบว่าอันนี้เป็นหินจริงหรือเปล่าเอ๊ะทำไมทาไมฉันถึงถึงได้แต่งกวามันมีความผิดพลาดอะไรในการกระทาของฉันหรือเปล่านะ<อ>ลิงตัวนี้ก็ไม่ใช่งโง่นะมันก็เอาหินเนี่ยไปตีกับฝาโกรงของมัน เฮ้ยมันแข็งนะมันน่าจะใช่หินจริงๆยังมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็เลยเอาไปให้นักคนเลี้ยงอีกแล้วก็ได้แตงกวาขับไปอีกเหมือนเดิมนะทีนี้เราเราออกกฎง่ายๆนี่คือคกฎนี้มันง่ายเกินไปนะรเรากําลังจะพูดถึงว่าถ้าสมมติเราตั้งเรื่องความกฎเกณฑ์ตรงนี้ใหม่นะคือคนเลี้ยงตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ว่าสมมุติลิงได้รับหินก้อนนี้มาแล้วต้องเอามาคํานวณน้ําหนักแล้วก็คูณด้วยกับค่าความแข็งของมัน คุณค่าความแข็งของหินนะเสร็จแล้วก็ยกกำลังด้วยตัวเลขในหลักสิบแล้วเอาไปใส่ลอการิทึมิตรฐานที่ฐานที่หลักหน่วยแล้วเอาไปเทคลาปาสทรานสฟอร์มตั้งค่ามาเปรียบเทียบกับค่าเดิมในอุณหภูมิห้องเวลานั้นอันไหนมากกว่าคุณเอาหินก้อนเล็กให้ถ้าอันไหนถ้าอันนี้น้อยกว่าคุณเอาหินก้อนใหญ่ให้นะลิงต้องคำนวณให้ได้อย่างนี้ถามว่าถ้าคนเลี้ยงออกกดขนาดนี้เนี่ยแฟร์ไหมหมอรัฐผมมัน ในคนคิดหน้าหน้าจะแฟงแต่ว่าลิงมันคงคงทำไได้ถไมค้วถามว่าถ้าลิงทาผิดอยู่เรื่อยลิงทาผิดอยู่เรื่อยแล้วลิงก็ได้แต่งกวาอยู่เรื่อยลิงได้แต่งกวาอยู่เรื่อยเนี่ยเราบอกว่าเอากลิงทาไม่ได้ตามที่เราพูดอ๋อกฎเกณฑ์มันคงซับซ้อนกันไปิงหรับเพระ้นถามว่าแฝงเนี่ยมันอยู่ที่ใครไงที่หมอรัฐพงศ์ยังบอกว่าแฟสสาหรับคนตั้งกฎเนี่ยมันได้ใช่ครับแถ้าถ้าสมมติถ้าผู้ฟังที่ ไม่ไม่เข้าใจเรื่องล็อกแคริทมิกหรือเรื่องลาปลาซาฟอร์มนะเราง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นะคือสมมุติว่าลิงรับหินก้อนนี้มาเนี่ยลิงต้องรู้จักใช้เครื่องชั่งน้ําหนักเอาไปชั่งน้าหนักก่อนชั่งน้ําหนักแล้วเอามาเปรียบเทียบกับตัวเลขในตลาดหุ้นวันนี้ว่ามันปิดเลขหลักหน่วยหรือหลักหลักหลักขี้หรือเลขขี้เลขคู่เสร็จแล้วก็เอามาทําการทดสอบกับค่าอุณหภูมิในห้องอันไหนมากกว่าคุณเอาหินก้อนเล็ก ถ้ามันน้อยกว่าคุณโอหินก้อนใหญ่ให้อย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนมากใช่ครับอคือพูดง่ายๆคือว่าซับซ้อนไม่ซับซ้อนสําหรับคนคนตั้งหรอกเพราะคนตั้งมันรู้ใช่ครับอแต่ว่ามันซับซ้อนสําหรับคนทําเพราะฉะนั้นถามว่าเอ๊ะความซับซ้อนความความยุติธรรมอ๋อมรดพงศ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามบุคคลด้วยนะใ่คบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าที่เขานักวิทยาศาสตร์คนนี้เขาสรุปว่า คนเราจะมีศีลธรรมคนเราจะตั้งอยู่ในความดีได้อยู่ที่ความแฝ่เนี่ยมันไม่มีหรอกใช่ครับมันไม่มีนะเพราะสมมติเราบอกอย่างสมมติประเทศไทยเนี่ยแฟ่แฝแล้วทุกคนมีสิทธิการเลือกตั้งเอาคนละหนึ่งเสียงเฮ้ยเราเปลี่ยนจากระบบสมบูริาศาสิทธิราชแล้วไปแฟ่แฝกันอทุกคนเลือกตั้งก็ยังมีคนบอกเลือกตั้งไม่แฝ่ใช่ครับทำไมมันพูดกันก็เพราะมันมีซื้อเสียงใช่ไหม คนบนหลักเลือกตั้งไม่แฟงเพราะเขาตั้งกรกตออกมามีมาตรการกกตไม่แฝงกรกตก็โดนไปด้วยเดินไปด้วยผู้ผู้คุมกฎก็ถูกตั้งเขาตัดสินใจอย่างนั้นมันก็เลยความแฝงไม่มีไม่มีครับสิ่งเดียวที่ยังมีอยู่นะที่เราพอจะทําได้นะในปัจจุบันนี้ก็คือว่าต่อให้นายกคนไหนมาพรรคการเมืองไหนได้มากระชั้นทอะไรเนี่ยเราก็ยังมีสิทธิ์ในการรักษาศีล สิทธิที่เรามีนี่ยทุกคนมีเท่ากันหมดเลยนะคนชั่วคนดีในกุ๊กในตารางอยู่บนเครื่องบินอยู่บนในเรือําน้ําทุกคนรักษาศีลได้หมดอยากดีมีจนมสิทธิ์เท่ากันรักษาศีลเจริญสมาธิทําตรงนี้คือมรคนะนะคุณสามารถเลือกที่จะทํามรได้มากน้อยนี่มันไม่แฟร์อยู่แล้วมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคนเราสูงไม่เท่ากันความสามารถไม่เท่ากันนะความเข้าใจต่างๆไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความแฟร์ข้อหนึ่งตรงนี้ไม่มีแฟร์นู่นที่โน่นที่มีหมด สเสมอกันแน่นอนถึงจุดสูงสุดอของการปฏิบัติประเด็นที่สองที่ต้องการพูดถึงเรื่อง เ, อเรื่องของเจ้าลิงตัวนี้ครับก็คือว่าลิงตัวแรกนี้เนี่ยนะอพอตัวเองได้รับการดูแลที่ในความเข้าใจของลิงเนี่ยไม่แฟใช่ไหมครัพอไม่แฟแล้วก็เลยจีจัดขึ้นมาเนะี่ยเนะคงครโรดใช่เคร่งแตงกวาใส่คนเลี้ยงบ้างนเะขย่ากลงบ้างทำท่าทางก้าวร้าบ้างครับนะ พอพอทําอย่างนี้แล้วเนี่ยคือลิงตัวแรกเนี่ยมันเริ่มมีอาการต่อสู้<อ>นะพอได้รับความไม่ยุติธรรมครับนะในที่นี้คือถูกภาษาที่ไม่น่าพอใจ อ, อถูกภาษาที่ไม่น่าพอใจนะทีนี้ไอ้ความไม่น่าพอใจตรงนี้หมอรัฐพงมันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับความแฝงเลยนะคือบางคนเนี่ยสถานการณ์มันทุกคนก็ว่าแฝงแต่ตัวเองว่าไม่แฝงใช่ครับแตนะ่ตัวเองว่าไม่แฝงอย่างสมมติถ้าเอาคนเลี้ยงมาทั้งหมดยี่สิบคนเป็นนักวิทยาศาสตร์หมดเลยก็บอกออกกฎที่ต้อง ออกกดขนาดนี้เนะี่ยที่ต้องให้ลิงมาชั่งน้าหนักแล้วไปเปรียบเทียบกับราคาตลาดหุ้นในในตลาดหุ้นแล้วว่ามันมากอันไหนน้อยกว่ากันแล้วมาเปรียบเทียบกับหนุ่มภูมิพ่องถึงให้หินก้อนใหญ่ก้อนเล็กอย่างเงี้ยครับเนะี่ยซึ่งถามว่าคนเลี้ยงเขาก็แฝงเขาอ่ะแต่พอลิงมันไม่แฝงตัวเดียวใช่ครับใช่ไหมอาตมากำลังจะเปรียบเทียบตรงนี้ว่าตรงเนี้คือภาษะที่ไม่น่าพอใจสำหรับลิงสำหรับลิงครับทีนี้ภาษะที่ไม่น่าพอใจเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับว่ามันแฝงหรือไม่แฝงนะ บางคนเนี่ย<ม>ก็คิดว่าภาษานี้คือไม่แฝงบางคนก็คิดว่าภาษานี้คือแฝงแฝงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังเขาเรียกว่าอะไรเขาชี้ปัญหา ย, ยังไม่ถูกจุดตรงที่ว่าเขาไปชี้ตรงจุดที่แฝงกับไม่แฝงซึ่งแฝงกับไม่แฝงเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงได้มากครับมันเปลี่ยนแปลงได้มากเพราะว่ามาตรฐานคนไม่เท่ากันใช่ครับความรู้สึกของคนรับเนี่ยจะแตกต่างจะแตกต่างกันมากครับทีนี้ ที่พระาบัญญัติคืออะไรบัญญัติถึงเรื่องผัสสะ ท, ที่ไม่น่าพอใจบุคคลเมื่อถูกต้องผัสสะ ท, ที่ไม่น่าพอใจแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็จะร่ําให้คร่าครวนทุบตบโชคตัวถึงความเปม็นผู้มุ่งนกว้างกล้าเพ้อนี่คือลักษณะของลิงตัวแรกเลยแยงโกงบึงบ้งบึงบ้งบึง้งขึ้นมาแล้วก็ทําร้องเสียงวากวากเหมือนลิงนะครับคือมันเป็นลิงนะ น, นะใช่ไหมเนี่ยเพระาะฉะนั้นเนี่ยถูกผัสสะไม่น่าพอใจจึงมีลักษณะนี้เกิดขึ้นโอ้พระเจ้านี่คมมาก แเราเห็นการทดลองตรงนี้เราพบเลยว่าการบัญญัติที่เฉียบแหลมเฉียบคมของพระชาติเนี่ยมากกว่ามากถามว่าทําไมใครสักคนในคนหนึ่งหมรับพงถูกผัดสะสักอันแดนหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าอันนี้แฝงอันนี้ไม่แฝงในบางทีแฝงอยู่แต่ก็ไม่พอใจอ๋อค่รับไม่พอใจที่แฝงด้วยซ้าบางทีไอ้ที่ไม่แฝงถ้ามันไม่แฝงคนอื่นฉันพอใจแต่พอใจใช่ถ้ามันไม่แฝงฉันเองฉันเริ่มเครียดใช่ครับถามว่าทําไมอะไรทําให้มันเป็นอยงนั้นก็ว่า เอเหมือนกับว่าตัวเองเอาตัวเองเป็นตัววัดว่าได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อืตรงนี้ถามว่าที่เอาตัวเองเป็นตัววัดเนี่ยคือพระพุทธเจ้าก็พูดถึงราคะโทสะโมหะครนะเพราะราคะโทสะโมหะนี่แหละทาให้มันดีดดินไปนะเดี๋ยวจิตจัดเปลี่ยนร่างตุ้มต้าออกมาครับนะแล้วก็คิดไปนู่นเลยนะเพราะราคะโทสะโมหะเนี่ยมันจึงมีความก็เรียกว่าปรุงแต่งไปนั่นไป น, ไปนี่ไปโน่นว่าอันนี้แฟอันนี้ไม่แฟ นะจริงๆแล้วมันคือภาษาที่ไม่น่าพอาใจนั่นเองนะอันเนื่องมาจากอาสวะอันเนื่องมาจากราคาโทสะโมหะอันเนื่องมาจากอาวิชชาเพรนะาะฉะนั้นถ้าสัตว์อันใดตัวไหนเนี่ยเป็นมีลิงเป็นต้นเนี่ยมีอวิชชาอยู่เนี่ยก็ถูกภาษาที่ไม่น่าพอาใจก็กจีจัดได้ทั้งนั้นเลยครับนะบางทีแตงกวาบางที ม, มันเผ็ดมันอาจจะมีรสเผ็ด <ๆ S 2> แตงกวาบางพันธุ์มีรสเผ็ดเนี่ยมันก็ไม่ชอบล่ะ มันก็เคร่งได้เหมือนกันทั้งๆที่แฟนนะฉันให้อาหารเธอนะอแต่เป็นอาหารที่มันไม่ชอบอ่ะมอครับมันก็มันก็เคร่งจริงเหมือนกันมันคงต้องจีจัดเหมือนกันนี่คือประเด็นที่นวิศาสตร์เขาทดลองสําหรับถ้าเป็นอย่างพระอรหันต์เป็นต้นพระอรหันต์จะเข้าใจสภาพนี้อยู่แล้วนี่คือเรากำลังพูดถึงบุคคลที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะครับพอคนที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมรรค์จะไม่มีความยึดถือ ไม่มีความยึดถือในระบบสมบูรณ์นี้ครับไม่มีอุปทานยึดถือพอไม่มีความยึดถือว่ามันจะต้องแฝงหรือมันจะต้องไม่แฝงมันจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือจะต้องเป็นอย่างนี้คือคุณมีความเข้าใจความทุกข์อย่างชัดเจนครับอยอมรับได้นะว่าไอ้ทุกข์มันก็มีอยู่เฉนั้นก็อยู่กับสิ่งที่ไม่แฝงได้ครับู้แจ้งแทงตลอด ถ, ถ้าถ้าคนอื่นเขาว่าไม่แฝงนะแต่ในความคิดของบุคคลประเภทนั้นเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่แฝงมันก็เป็นสิ่งที่มันนเเเป็อออยยูู่่่มีทาง คือคือก็จะพูดตำหนองที่ว่ า, าวาจาใดาที่เขากล่าวกันอยู่ในโลกเนี่ยท่านก็กล่าววาจานั้นโดยไม่มีความยึดมั่นอะไรอะไรอยู่คือหมายว่าไอ้ที่เขาบอกแฟงอ่ะแล้วก็ว่าแฟแฟก็แฟก็แฟที่เขาบอกไม่แฟงอ่ะไม่แฟก็ไม่แฝง น, น, นี่คื อ, อพระพระที่ว่าไม่มีราคาโทวสามโมหะนะก็มไม่มีปัญหาอะไรกับตรงจุดนั้นอท่านาาก็ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางได้ก็คืออยู่กับมันได้คแต่เนะพราะฉนั้นก็จะไม่จีจานเปล่งปลั่งแตถ้าเอาการทดลองนี้ไปทดลองกับพระอรหันต สมมติพระอรหัได้รับการทรีตตที่ไม่แฝบในภาษาโลกเนี่ยไม่แฝงที่ว่าไม่ยุติธรรมในภาษาโลกนะแต่ท่านก็จะไม่มีความขัดข้องมองใจจะไม่จี๊ดจ๊าดเปี่ยงเ่เหมือนลิงที่อยู่ในกรงทั้งนั้นที่ถูกด้วยถูกเลี้ยงดูหรือถูกตอบรับด้วยการที่ไม่แฝงทำความดีมาตลอดเลยหมอรัตพง์แต่ถูกข้อด่าโอ้คนเราโดนนะ ไม่แฟ่เว้ยถ้าเป็นคนธรรมดานะไม่แฟ่เว้ยอะไรว่าคุณทำความดีมาตลอดนะแล้วอยู่ในที่ทํางานอยู่ๆมาด่ากูอย่างเงี้ยก็ไม่แฟ่ก็จึงเกิดความจีจัดหักขากันบ้างสับขาหลอกบ้างเลือ้อยขาเก้าอี้กันบ้างด่ารับหลังบ้างใช้อาวุธมีคมบ้างไม่มีคมบ้างเนื้อเรื่องราวเกิดขึ้นเต็มเลยแต่ถ้าเป็นบุคคลที่ฝึกดีแล้วฝึกที่จะละราคะโทสะโมหะแล้วเนี่ยะจะเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา เพราะอะไร<ม>เพราะมันอยู่บนโลกนะโลกมีอะไรโลกมีความทุกข์นะมีความ<ช>ทุกข์อะทุกข์ก็เป็นอย่างนี้แหละใครๆก็เจอฉันก็เจอคนหนึ่งก็สบายใจอยู่ครับอันนี้คือวิธีป้องกันประเด็นท่านนีวิวอิสสาก็จะทําการทดลองนี้ให้ อ, อย่างถึงที่สุดเต็มที่เลยเนี่ยนะคือเขาก็ต้องลึกเข้าไปในใจด้วยไม่ใช่ใชแค่คสิ่งภายนอกที่ดูเหตุปัจจัยว่ามันแฝงหรือไม่แฝงใช่ไหมเขาต้องลึกลงไปถึงจุดที่เรียกว่าเฮ้ยอะไรอยู่ในใจ ที่พุทธเจ้ากินคตไว้แล้วนะก็คือราคะโทสะโมหะอย่างงี้นะครับอันนี้เป็นความลึกของพุทธศาสนานะครับใช่อย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นเห็นสิ่งที่จับต้องได้สิ่วัดได้ด้วยเครื่องคราหรือว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่พุทธศาสตร์เนี่ยจะรวมเอาวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องของจิตเหมือนทางจิตใจใช่แล้วพอ พอทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีเครื่องมือเครื่องไม้ที่เขาวัดที่จับต้องได้ตัวนั้นเองใช่ครับและเขายังไม่มีมิเตอร์ข้าในวัดในใจว่าเอ็นดูจากอุณหภูมิของร่างกายการเป็นแบงของฮอร์โมนต่างๆแล้วเนี่ยมันยังมีที่เหนือไปกว่านั้นอีกจริงครับอ่ที่ที่เราพูดถึงความโกรธเป็นต้นใช่ไหมความโกรธนี่บางทียังวัดได้จากฮอร์โมนบางประเภทใช่ครับนแต่ไออ่ความริษยาหรือว่าความ เคลือบแคลงระบายสงสัยแล้วก็ลำใจพวกเนี้โอ้มันวัดยากมากนะคุณจะต้องมีเครื่องรู้ที่พิเศษจริงๆแต่ที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปครับอย่างกรณีของเครื่องจับโกหกนะครับเพราะว่าวัดจาอาจจะวัดจากเอพวกความดันหรือว่าชีพจรที่เต้นเนี่ยบางบางคนเนี่ยหลอกเครื่องได้เพราที่ถูกสึกจิตมาดีๆใช่สามารถหลอกเครื่องได้ครับะ ทีนี้ประเด็ น, นที่จะเพิ่มเติมจากตรงนี้ก็คือว่านี่เราพูดไปถึง2เรื่องแล้วนะ ค, คือเรื่องของความยุติธรรมนะซึ่งเราบอกว่าอ you ย know ู่โน่นที่วิมุตมีอยู่นะที่เหลือไม่มีมคุณหาไม่ได้นะเพราะถ้าเราต้องการเอาอะไรมาเปรียบเทียบถ้ามันยังมีอะไรให้เปรียบเทียบเนี่ยมันมีข้อแตกต่างแน่แต่ในวิมุตเนี่ยมันไม่มีอะไรให้คุณจะต้องเปรียบเทียบนะคือทุกอย่างหายหมดไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบก็คือเท่ากันหมดนะสภาวะที่ไม่มีอะไรทีนี้พอเราพูดถึงถัดมาคือเรื่องของลิงตัวที่1 ที่ได้รับเจ้าตัวแตงกวาเนี่ยนะเราตั้งชื่อเล่นเขาเจ้าแตงกวาเนี่ยนะครับแตเจ้าลิงแตงกวานี่ก็มีความชี้จานเปลี่ยนแปลงเัตถุกภาษาที่ไม่น่าพอใจก็คือเนื่องจากในใจมีระคัตโทสะโมหะอในการทดลองตรงนี้เขาไม่ได้พูดถึงลิงตัวที่สองด้วยซ้ำที่ว่าทําไมลิงตัวที่สองนี่เฉยๆนิ่งๆเ ง, ๆงยียๆบๆอาจจะดูว่าคูลๆแบบชิวๆอย่างนี้น ะ, น, น, นะทีนี้เรามาพูดถึงลิงตัวที่สองนี้ครับ เพราะอะไรทำไมเราต้องพูดถึงมาบเพราะว่าพระพุทธเาเตือนเอาไว้บอกว่าลาบสักการะเนี่ยเป็นเป็นอันตรายที่แสบเผ็ดเสพเผ็ดร้อนนะต่อธรรมวินัยนี้ทําไมถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าลิงตัวที่สองเนี่ยได้ลาบสักการะในกรณีนี้คือเจ้าองุ่นได้รางวัลที่ดีแล้วทีดีกว่าเฮ้ยทำเหมือนกันนะทาเหมือนกันนะแต่ได้องุ่นนะได้องุ่นองุ่นหวาน ชุ่มคอมีรสดีไม่มีเมล็ดด้วยอย่างงี้นะใช่ครับอพอได้ตรงนี้นี่คือลาบสการะนะถามว่าลิงตัวที่สองนี่ชีใจเขาเป็นยังไงน่าจะอิ่มเอิบใจดีใจสบายใจแน่ละได้กิ่นของดีแน่หละเนาะก็ไม่มีปัญหาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถูกไหมจริงครับทีนี้โดยพระดวจชนะเขาว่าอย่างไงพุชธาบอกว่าลาบสการะนี่อันตรายมากอันตรายต่อบุคคลตรงที่ไหนตรงที่ว่าพระพุทธาบอกนี้บอกว่า แม้แต่พระอาหารหันต์เองเนี่ยลาบสักการะก็เป็นอันตรายอันตรายรตรงที่ว่าไม่ได้อันตรายต่อวิมุตต์ของท่านอ๋อเพระท่านพ้นละพ้นล ะ, ะครัแต่ว่าเป็นอันตรายต่ อ, อ, อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันลาบสักการะเสียงสรรเสริญยนยอยอย่างเงี้ยหมายความว่าถ้ามีลาบสักการะมาท่านจะถูกติชินนินทาอย่าง น, น, นี้แหละครับไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะต้องไปต้อนรับคนมันจะต้องวุ่นวี่วุ่นวายไปงานนู่นเดี๋ยวไปงานนี้นแล้วก็ไม่ไม่ได้หยุดได้หย่อนสักี เนี่ยเสียงสรรเสริญยอยอย่ะเดี๋ยวคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาต้องไปรับรางวัล น, นั้นรางวัล น, นี้เนี่ยถ้าเป็นพระรมีรับพัดยศไปงานนั้นไปงานนี้ก็นิมนต์ก็ต้องไปไม่ไปไม่ได้ อ, อะไรเง<ด>ี้ยซึ่งมันมันทำให้มีเรื่องยุ่งพอมีเรื่องยุ่งก็ตรงกันข้ามกับความสุขสงบที่อยู่ในภายในใช่ครับมันก็จะเป็นอันตรายต่อความสุขในทิ่ตธรรมอันนี้พูดถึงกรณีพระลานะครับแต่ความเป็นอรหันต์ก็ไม่ได้ตกลงมาแล้วใช่ไหมครับก็ไม่ได้ตกไม่ได้ตกครับ ทีนี้มีอีกพุทธวัจนะหนึ่งนี่เราพูดถึงพระปุตุชนทัท่วไปหรือคนทัท่วไปน ค, คนที่ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่พะพุรธเจาบอกว่าเปรียบเทียมให้ฟังตั้งแต่ตอนนู้นสิปีหลังจากก่อน10ปีในช่วงแรกๆหลังจากที่ทได้เริ่มตั้งธรรมวินยัยเริ่มประกาศศาสนาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนั้นพระสารีบุตรมาแล้วเป็นอะัคราสาวกแล้วก็มาขอให้พรุทธเจ้าเนี่ยประกาศวินยัย เพื่อ oh. ที่จะให้ความตั้งมั่นอยู่ได้นานของพระัธรรมครับอันนี้เป็นเหตุอันหนึ่งของความตั้งมั่นของพระธรรมใ ช, ใช่ครับทีนี้ผู้รู้ชาบบอกวอ่ายั่งกอนในยยพิ่งประกาศเพราะตอนนี้ไม่มีเหตุนะต่อเมื่อในภิกษุทั้งหลายเนี่ยมีปริมาณมากแล้วแล้วก็ล่ลําร่ํารวยด้วยลาบสัก a ระชื่อเสียงสรนเริญเย็นหยอดตรงนี้แหละจะเริ่มมีธรรมะที่ไม่ดีปรากฏขึ้นอพอเรื่องมีธรรมะที่ไม่ดีปรากฏขึ้นอยู่ในหมู่ภิกษุนั่นแหละเป็นเวลาที่เราจะบัญญัติมีไหนครับ แสดงว่าอะไรหมอะพง์ลาบสักระที่ได้มานี่นะจะทำให้ภิกษุที่ยังมีราคาโทสะโมหะอยู่เนี่ยเริ่มออกลายอ๋อเริ่มเบี่ยงเบนจากธรรมวินัยใช่นี่พูดถึงภิกษุนะมาถึงคารวานะมีโยมคนหนึ่งมาที่วัดป่าอันใหโศกไม่ออกชื่อหรอกแต่เป็นนายทหารยศพันเอกเป็นทหารอใกาศแล้วก็เป็นนาวเอก ท่านบอกมาเล่าให้ฟังคือเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังบอกว่าท่านเป็นคนดูแลตอนนี้เกษียณแล้วนะเป็นคนดูแลเงินสหกรณ์ตอนแรกก็คือดูแลงื่อนมาอะไรทั่วๆไปธรรมดานีมันก็ไม่กี่ล้านไม่กี่ล้านท่านก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องมีปัญหาอะไรเพราะเราก็จัดการได้ใช่ไหมจัดการด้วยความยุติธรรมสั่งจ่ายไปตามระบบแล้วก็บริหารจัดการอย่างดีทีนี้พอมาดูงานสหกรณ์เนี่ยโอ้โหเงินมันเป็นร้อยล้าน พอร้อยล้านแล้วระเบียบปฏิบัติมันไม่เหมือนงบราชการมันมีช่องทางเยอะเว้ยใช่ครับใจเริ่มเควใช่ครับเขามาแชร์ให้อัตมาฟังนะหมวรพงศ์บอกว่าใจเริ่มเควใจเริ่มเขวจริงๆมันมีช่องตรงนี้ก็เอาได้ตรงนั้นก็เอาได้แล้วเงินนี่ไม่ใช่น้อยนะใช่ครับเออตรงเนี้ยเห็นไหมว่าพอเริ่มมีลาบสัการะชื่อเสียงเสริญเย็นย่อนะผู้บุญชาใช้คําว่าอ่าทำที่ไม่ดีอสวาหนิยธรรมเขเรียกว่าธรรมะที่ที่เศร้าหมอง ธรรมะที่ไม่ดีย่อมเริ่มปรากฏครับอเรายกตัวอย่างอย่างเช่นว่าแท็กซี่เก็บเงินได้ถ้าเจอเงินอย่างีตัวเราเองสองพันตัวเราเองเนี่ยเดินไปตามถนนเห็นเงินหล่นอยู่อห้าสิบตะตังเตะทิ้งเลยครับไม่หยิบเลยแต่ถ้าห้าสิบบาทไว้เก็บเก็บเก็บด้วยมันของใครเไม่เป็นไรเราไปหย่อดตู้บริจาคก็ได้อทำบุญทำบุญครับต่แบงพันนี้เริ่มคิดเริ่มเก็บไม่ดีไหมเก็บไม่ดีไหมแต่ถ้าเจอเป็นถุงแล้วข้างในเป็นเงินหมื่นครับ อาจจะทำบุญสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเก็บครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเจ้าของก็รับลอยดูดูอ่าก็คือถ้าไม่มีใครเห็นเอาแน่อครับเอาพูดงี้ดีกว่านะครับถ้าถ้าถ้ายังไม่ได้ฝึกจิต่นะถ้าไม่มีใครเห็นนี่เอาแน่แต่ถ้ามีคนเห็นก็คืนคืนไปไม่เป็นไรแต่แต่ถ้ามันถ้าเงินน้อยน้อยเนี่ยไม่มีใครเห็นเราก็คืนอยู่ครับแต่ถ้ามันมากขึ้นมากขึ้นถึงจุดไหนล่ะอันนี้แล้วแต่คุณนะอือมันแต่ละคนตัวเลขตรงนี้จะไม่เท่ากันใช่ครับ แนวว่าจุดไหนล่ะที่จะทําให้ไอากินเลตที่มันยังไม่เกิดเนี่ยมันฟูขึ้นมาครงนี้ต้องระวังบางคนนะแหมดีวุเนียบมากเลยในระดับที่เรียกว่าธรรมดาธรรมดาคือหมายความว่าถ้าคุณทํางานระดับนี้ไปคุณควบคุมเงินระดับนี้คุณดูแลโปรเจคระดับนี้คุณทํางานระดับนี้เนี่ยโหทํางานเนียบทํางานดีไม่มีที่ติเลยพอเลื่อนขึ้นเริ่มละเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเริ่มละเริ่มละจริงครับคนที่คนนั้นเนี่ยจะต้องมีสติรู้ว่า จิตใจเราเป็นยังไงใช่ครับตรงนี้ในในระบบทหารเนี่ยเขาฝึกสอนไปดีมากครับคือตั้งแต่แรกๆเนี่ยนะคือคุณเขาทำลายทลายอัตราตัวตนของทุกคนหมดเลยครับด้วยการด่าว่าฝึกให้คุณเริ่มจากศูนย์ทุกคนคในโรงเรียนทหารครั บ, รบทีนี้พอพอมันเนี่ยตรงนี้คือ weakest link ล่ะพอจบออกมาแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ย มันไม่ได้แก้ไขเรื่องกิเลสข้างในไงใช่ครับตัวถ้าถ้าคุณแก้ไขเรื่องกิเลสั้างหนเนี่ยนะคือคุณก็จะลดราคะโทสะโมหะนะจริงครับแล้วพอลาบสักระชื่อเสียงยศตําแหน่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะบางคนเนี่ยใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการทําให้ดี<อ>ตรงนั้นลายเริ่มออกอธิบายใช้คำว่านะตรงจุดไหนที่ลายคุณเริ่มออกคุณหยุดที่ตรงนั้นนะคือตัวเราเองเราต้องพิจารณาตัวเองถูกครับแต่วนะ่าถ้าเราเกินตรงนี้ไปฉันทําไม่ได้แล้วจิตฉันจะเริ่มเขวะละ ลายฉันจะเริ่มออกแล้วฉันขอแค่นี้พอออืลิง ต, ตัวที่สองนะลิงตัวที่สองควรจะหยุดนะถ้าลิงมันมันมีสตบ้างนะครับควรจะหยุดตั้งแต่ตอนที่มันได้รับสกสารชื่อเสียงสรรเสริญ ย, ยัน ย, ยอตรงจุดที่ลายมันเริ่มออกโอถ้ามันแค่เริ่มคิดเยอยๆวะ่ะไอ้ลิงตัวที่หนึ่งมันจิบจอยวะ่ะ<อ>ฉันเจ๋งกว่านั่นๆ ค, คุณต้องไปตามกันนั้นละ่ะคุณคจะขึ้นสูงกว่านั้นไม่ได้อโอ้โหตรงนี้เป็น ประเด็นที่ละเอียดมากเลยนะครับแล้วก็ทหารก็เหมือนกันนะเวลาขึ้นตําแหน่งเนี่ยก็จะต้องดูว่าคือคือถ้าถ้าหัวหน้าหรือว่าคนที่สั่งการเลื่อนตําแหน่งเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าเฮ้ยจิตคุณจะเริ่มออกลายตรงตำยศที่เท่าไหร่เนี่ยก็ให้เขาตามนั้นอ๋อก็แบกแบ ก, กไปแค่นั้นก็ <c oughs> คือหมายว่าอันนี้เป็นผลดีต่อตัวเขาด้วยใช่ครับตัวบุคคลนั้นด้วยเพราะว่าอย่างเวลามันผ่านไป5้ปีสิปีเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ได้ ใช่ไหมก็คือเลื่อนตำแหน่งก็ต้องพิจารณาตรงนี้นะครับผู้เช่าเคยบอกวไว้ของบุคคลที่มีความสามารถเป็นปรินายกแกว้วปรินายกแกว้วนะประินายกแกว้กแกวเนี่ยเป็นคนที่สามารถอ่านจิตคนได้อ่านจิตคนได้ว่าคนนี้สามารถเหมาะสมกับตําแหน่งนี้คนนี้ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งนี้รู้ว่าจะเลื่อนตําแหน่งใครรู้ว่าจะปลดใครนะเพราะว่าหนึ่งในคุณสมบัติที่ป ร, รินา ย, ายกแก้วจะต้องมีก็คือรู้ตรงนี้คนไหนมันลายจะเริ่มออกตรงตําแหน่งไหน ให้มันสูงไม่ได้คนนี้ให้สูงได้อย่างงี้นะโหถ้ามีจริงๆก็ดีคิครับอย่างนี้ใช่ใช่ใชนะคือคือตรงนี้มันก็ก็ดีนะนี่เป็นเป็นของคู้บารมีของพระเจ้าจักรพรรดิต่านั้นประเดนนในกแกว้วครับปัจจุบันไม่มีแล้วใช่ไหมครับไม่มีไม่มีไม่ช <laughs> มีเป็นแนวอื่นเป็นคนละเรื่องไวละครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องของลิงตัวที่สองจ้าองุ่นจ้าองุ่น ที่ได้องุนไปเจ้าองุ่นี่ได้ลาบสการาชื่อเสียงสรรเยัน ย, น ย, นยอกจิตใจเริ่มเขวะนะนะพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าคนที่พอมีลาบสการาแล้วนะพิสูุเองนี่ก็ตามเถอะนะมีลาบสการาชื่อเสียงแล้วจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับนะความเปลี่ยนแปลงในใจเอ่อนี่พูดถึงในใจนะหมอระพ์ครับคือภายนอกเนี่ยยังไงมันมันเปลี่ยนแน่นอน อ, อ๋อครับ ค, ค, คือภายนอกยังไงมันเปลี่ยนเนอะอย่างสมมุติอ่าพระอาหันต์ชกรูปหนึ่งเอา้านะตอนที่อยู่บ้าน แบบนี้ๆหน่อยๆได้ฉันกต่ตอนที่พอมีชื่อเสียงแล้วโอราบสกุลละเยอะแยะมากมายงานจะต้องเอองานจะต้องเปลี่ยนนะใช่ครับงานจะต้องเปลี่ยนคือจะมาเฉพาะเจาะจงหรือว่าจะมีเวลามากอย่างเดิมมันจะไม่ได้ละกิจกรรมของท่านจะต้องเปลี่ยนไปการทํางานท่านจะต้องเปลี่ยนไปการแสดงทําคุณจะต้องเปลี่ยนไปตามสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องตามภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปนี่หรือไม่แต่นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องจิตนะเรากำลังพูดถึงเรื่องจิตจิตว่าภาพผืว่ามากขึ้นไปมากขึ้นไป นะจิตของเขาจะมีกิเลส ท, ที่เริ่มออกลายหรือไม่ตรงนี้ดูได้<ม>นะแล้วภิกษุแต่ละคนบุคคลแต่ละคนนะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นคราว่าเนี่ยก็ดูตรงนี้ได้ว่าสมมุติเราเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปตามตําแหน่งนะ ค, คุณทํางานเป็นพนักงานธรรมดาต่อไปคุณเลื่อนซีขึ้นเลื่อนตําแหน่งขึ้นนะเลื่อนยศขึ้นเป็นตนําแหน่งนี้ตําแหน่งนี้ตําแหน่งนอนมีหน้าที่การงานมากขึ้นปกครองคนมากขึ้นมีอํานาจมากขึ้นครับคุณควบคุมจิตคุณเป็นยังไง อันนี้เป็นบทพิสูจน์ความเป็นคนเลยนะใช่ใช่แล้วแล้วตรงเนี้ยพังง่ายที่สุดหมอและพงรับจริงครับพังง่ายที่สุดอย่างสมมุติว่าถ้าเราไม่มีแล้วเราพยายามแสวงหาต่อสู้ให้มันมีอันนี้เราเราเห็นเยอะแยะนะคนที่ต่อสู้ชีวิตแล้วดีขึ้นมาได้ครับแต่ไอตอนพังเนี่ยมันพังตรงที่ขาขึ้นเองอด้วยตัวอย่างกรุงโรมกรุงโรมนะพังตอนที่รุ่งเรืองสุขี อย่างอียิปต์อย่างนี้เป็นต้นไม่ได้พังตอนที่เข้ามาตีคุณนะแต่พังเพราะการเมืองภายในเท่านั้นเองพังจากเขาเรียกพังจากข้างในในตนถูกต้องถ้าถามว่าตรงนี้ไม่ได้มาจากข้างนอกเลยนะมาจากข้างในตัวคนที่ว่าพอเริ่มมีไอธรรมะที่ไม่ดีธรรมะที่เศร้าหมองปรากฏขึ้นครับนแล้วมันก็กัดกินกร่อนตัวเองแล้ตัวเองก็เสื่อมไปเองแย่ไปเองอืในประวัติศาสตร์รู้สึกจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะครับพังจากข้างใน พังจากข้างในแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเขเรียกเป็นเป็นดราม่าเรื่องที่ขายได้ดีจริงๆเลยอ่ะตรงเนี้ยนะอวสานของเซลแมนเป็นต้นใช่ครับนะหรือว่าละครอะไรต่างๆเขาจะมาพังตรงนี้กันทั้งนั้นนซึ่งตรงนี้พู้เจ้าก็บอกไว้แล้วว่าเอาถ้าขาขึ้นนะคุณเริ่มมีคุณต้องระวังแม้แม้แต่ในปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆอย่างอ่าเลเมนบรอดเออร์อ๋อใช่โอ้โ มมีใครนึกว่าจะพังแบบทรัพย์สินเป็นแสนแสนล้านเนี่ยนั่นเพราะว่าอะไรเพราะผู้บริหารโกงกินใช่ใช่ครับพอถึงจําหน่งที่ว่าตัวเลขมันมีช่องมันมีไม่มีคนรู้เหลือแต่จิตคุณแล้ว ค, คุณจะทํายังไงโอโหวันนี้วัดวัดกันจริงๆเลยนะครับ ว, วัดใจจริงๆเลยวัดใจจริงๆคุณทําไม่ได้คุณถอยดีกว่าจริงครับคุณถอยเพราะอะไรมันเป็นบาปกรรมมาก เป็นบาปกรรมมากมันไม่เสียงไม่คุม้มไม่ไหวเลยกับการที่ต้องไปโดนรกกำเนิดโดย์จันเรปริวิสัยครับคุณตัดสินใจพลาดนิดนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะปุ้มเลยนะเป็นนรกเลยนะตุ้มนี่เป็นนรกห ม, มายความว่าเออมันมันทำให้เราจิตใจเรามีผัสสะที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเป็นบาปกรรมด้วยแล้วคนที่ยิ่งมีอํานาจมียศตําแหน่งมากขึ้นไปเนี่ยตัดสินใจอะไรมันกระเทือนไปหมดใช่ครับผลกระทบมันรุนแรงมากเพราะในกรณีของลิงตัวที่2เนี่ย ถ้าลิงตัวนี้นะไม่มีราคาไม่มีตัวสะสมไม่มีโมหะจะเป็นยังไงเหมือนก็ไม่ไม่รู้สึกก็ไม่มีลายออกดีอ่าหรือก็ทําไปตามนาทีนะก็จัดสรรไปตามสิ่งที่มีสมมติลิงตัวนี้ถ้าไม่มีราคาตัวสะสมโมหะนะสมมุติน ะ, ะได้งูนมาลูกนึงก็จัดการไปตามนี้คือได้งบประมาณมาเท่านี้ก็ทําไปตามเท่านั้นนะถ้ามีงบประมาณมากขึ้นการทํางานของเขาต้องเปลี่ยนแน่นอน ใช่ครับอาจจะเปลี่ยนโครงให้มันดีขึ้นอาจจะเปลี่ยนจริงต่างให้มันดีขึ้นก็ตามตามงบประมาณที่มีใช่ไหมครับแต่ว่าจิตเนี่ยจะไม่มีไอเครื่องเศร้าหมองไม่มีเครื่องสนิมในใจมากัดกินแน่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะไม่พังได้พอประเด็นนี้นึกถึงคนที่จะต้องบริหารบ้านเมืองหรือประเทศเนี่ยโอ้ธรรมะนี่สําคัญสุดสำคัญมากเลยอาตมาจึงบอกในรายการของคุณดนใจนะ ที่ตอนนั้นช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมานะเขาบอกเอ๊ะทาไมพระไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองอนันต์บอกว่าไม่ใช่เลยพระต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองเต็มๆครับเพราะอะไรเพราะการเมืองนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะหมอรพงเป็นเรื่องปากท้องเรื่องชีวิต เ, เรื่องการบริหารงานบ้านเมืองงบประมาณเป็นหมื่นๆแสนล้านนะแล้วถ้าคุณจะจัดการตรงนี้โดยไม่มีธรรมะเนี่ยมันไม่ได้เลยไม่ได้ครับประเทศพังเลยเพียงเพียงแต่ว่าพระเนี่เขาไม่ให้ไปเลือกตั้งนั่นเอง อ๋ไม่มีสิทธิ์นะครับไม่ได้ถ้าไปเขาก็ไล่ออกมาจากบูธตึตั้งแต่สิ่งที่พระทําได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเต็มๆนั่นคือสินธรรมนะ น, นักการเมืองทุกคนต้องมีสินธรรมไม่ ง, งั้น ค, คุณบริหารงานบ้านเมืองไปไม่ได้นะเพราะถึงลายออกตรงไหนมันพังตรงนั้นใช่ครับเนะี่ยตอนนี้มีรายตั้งมีมีลายออกเนี่ยตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบนเยทําให้มันมันแย่ไปหมดนะนะระบ บ, บการเมืองแต่ถ้าคนที่อยู่ในกระบวนการการบริหารจัดการบ้านเมืองเนี่ย สามารถควบคุมจิตตรงนี้ตัวเองได้นะไม่มีอสวรรคนิยธรรมคือธรรมะที่ไม่ดีไม่ดีออกมานะมันกลายตรงนี้ก็จะหมดไปหมดไปหมดไปก็จะเป็นอาคารบ้านเมืองที่สวยงามขึ้นมาไม่มีริ้ว ร, รอยอนะจริงครับโหเหมือนที่เขาบอกว่าถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิก <c oughs> <c oughs> มีคําพูดกันทางโลกนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นในในกรณีนี้เนี่ย <c oughs> ก็คือว่าเราต้องดูจิตของเราเองนะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยทั้งลิงตัวที่หนึ่งคือเจ้าแตงกวา ลิงตัวที่สองคือเจ้าอ ง, งุนะ่นแล้วก็พูดถึงความแฝงในระบบะทั้งสองระบบนี้ครับออันนี้ถามว่าถ้าเราขึ้นมาถึงจุดที่เรียกว่าเราเริ่มจะมีอาสวะนิยธรรม ค, รคือธรรมที่เริ่มจะทําให้เราเสื่อมละเราควรจะทําอย่างไรคอควรทํำยังไงครับคุณนะมีทางเลือกสองทางนนหนัึ่1ไม่รีบแก้ไขจิตตัวเองสองก็คืออยากขึ้นไปหยุดตัวเองหยุดจ้ะครับหยุดที่ตําแหน่งต่ากว่าหายากนะครับคงในโลกโมนุษย์จริงๆ อันนี้จะเป็นทางที่ทําให้คนนี้จเจริญได้นะคือหนึ่งนะคุณแก้ไขตัวเองครับนะัะแก้ไขตัวเองว่าทํายังไงไอ้ไอสิ่งที่มันไม่ดีในใจฉันเนี่ยมันถึงจะหายไปได้ครับแตนะถ้ามีเพื่อนดีโอ้คุณจะดีมากเลยโอไกลยานมะิตรนะถ้ามีเพื่อนดีคุณจะรอดรแต่แต่ถ้ามีเพื่อนชั่วยิ่งพาลงเหวแน่นอนครับนะหรืออย่างที่สองคุณก็หยุดที่ตรงนั้น<ม>นะยุดที่ตรงนั้นคือบางคนเนี่ยมีความต้องการยศตําแหน่งหน้าที่การงานเงินทองมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ตัวเองเนี่ย พอขึ้นไปแล้วมันมันยิ่งทําให้แย่เนี่ยแย่เสร็จปุ๊บอยากมากขึ้นแย่มัน ค, คู่กับอยากนะรงครับอพออยากมากขึ้นก็ทําไม่ดีทําไม่ดีได้มาได้มายิ่งไม่ดีอีกตัวเองจะ ก, การไม่ดีเองนะยิ่งมีอสวงขานนี้ทำมากขึ้นความชั่วช้ารามกมากขึ้นครับได้มาอีกไดไมาอยิ่งไม่ดีขึ้นไปอีกเพราะจิตยิ่งเขวไปอีกโอมันมีอย่างนี้แต่จะต่ําลงต่ำลงอริอมาจึงบอกว่างั้นคุณอยู่ตั้งแต่ตอนที่คุณเริ่มมีซะ อืมอเริ่มมีชื่อเสียงลาบสักการะรเสียงสรรเสริญเยินยอแล้วเนี่ยถึงจุดไหนที่เราจะเริ่มเขวะเรา ห, หยุดยซะก่อนครับหรือคุณรีบแก้ไขตัวเองอืม ร, รีบหาเรียกวเพื่อนดีหรือว่าหาอสิ่งที่ทําให้เราเพิ่มเพิ่มกําลังจิตของเรารแะเพราะตรงนั้นแสดงว่ากําลังจิตคุณไม่มีแล้วนะครับคุณเขวะไปตามแรงลมนะยิ่งสูงลมยิ่งแรงใช่ไับพอสูงปุ๊บลมแรงแล้วเนี่ย มันเวลาผิดไปก็ไม่แข็งแรงอ่ะใช่ก็เป๋เลยเป๋เลยเป๋แล้วตกนี่ตกไกลเลยนะอย่างว่าถ้าขึ้นสูงๆมาแล้วผมเชือกขานี่ตกไกลเลยนะตกไกลไม่ตามนี่ไม่ต้องพูดถึงลยไกลมากครับเพราะฉนั้นมันจึงต้องอันตรายมากๆออันตรายมากๆจึงต้องคอยระวังคือสิ่งที่ระวังขาลงตรงที่ว่าคุณพลาดคุณไม่ได้ตามที่คุณต้องการเนี่ยอันนี้มันยังมันยังแก้ไขง่ายในความเป็นธรรมานะ แต่ต้องพลาดขาขึ้นเนี่ยมันมีใครเห็นที่คอยมาเตือนเรานะนี่มันเกิดขึ้นในใจเราตรงนั้นเองเลยอืมคือคืออย่างสูดเราไม่ได้เราสูญเสียอย่างลิงตัวที่หนึ่งอย่างเงี้ยครับเป็นความสูญเสียที่คุณเห็นเอืมมันปกติเฮ้ยคุณได้แตงกวานี่ทําไมคนอื่นได้องุ่นครัอันนี้ถ้ามีคนดีเขาก็ยังพอจะเห็นจะช่วยเหลือคอยเตือนเราได้ครับนะหรือเรามีกําลังสู้เราก็พอจะสู้ออกมาได้มันมีความบีบคันนี่เนาะอืมจริงครับทีนี้พอสูงขึ้นไปเนี่ยขาขึ้นอย่างลิงตัวที่สองคือเจ้า่เจ้า นะมันไม่มีใครเห็นนะทุกคนก็เห็นว่าเออเขาดีเขาดีเขาดีเขาเขาหรูเขาเลิศเขารวยเขามียศมีตำแหน่งหน้าที่แต่ในใจฟอนเฟไม่รู้เลยไม่มีใครจะมาช่วยเราได้เลยไม่มีจุดนั้นเลยเราอันตรายมากกว่าอีกกันมาว่าครับอันตรายมากกว่าอีกโอมันเหมือนอเขาเรียกสุกนอกเน่าในโอ้แน่นอนเลยสุดท้ายมันจะลายมันจะเริ่มออกไงแล้วสุดท้ายก็พังเองทุกราย อืมทุกรายเป็นอย่างนั้นเอ้าวอุทาหรณ์เตือนใจนะคะใช่จากเรื่องของคลิปวิดีโอวันนี้นะลิงไปได้ยาวเลยเจ้าแตงกวาและเจ้าองุ่นครับอันนี้เป็นชื่อเรนที่เราตั้งให้เขาทันแล้วก็ต้องขอบคุณนวิทยาศาสตร์ที่ทําการทดลองนี้ให้เราได้เป็นประเด็นในการพูดจารกันครับเรื่องที่สองที่เราจะพูดจารกันในวันนี้นะคือเรื่องของเนื้หนาบุญหมอตกอนเนอหนาบุญครับอพูดถึงลิงตัวเนี้ยลิงสองตัวที่เจ้าแตงกวาองุ่นเนี่ยนะ คือถ้าเป็นคนที่ไม่มีกิเลสไม่ว่าเขาจะตกต่ำหรือเขาจะสูงในจิตเขาจะไม่มีอาสวะหานิยธรรมคือเครื่องที่ทําให้จิตมันไม่ดีเศร้าหมองคนอย่างเนี้ยนะเป็นคนที่เป็นเนื้อนาบุญอควรแก่ของทําบุญทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกอย่างนี้พระุทธเจ้าเปรียบเทียบกับนาอาตมาก็ไปทําวิจัยหมาหรือบอกเราทํานาไม่เป็นนะนะเราก็ไปชาวบ้านของตาดินให้ส่งเนี่ยพ่อวี ที่ขับรถไปส่งพระทุกวนันทุกๆนเนี่ยส่งพระไปบิณฑบาตเลยก็าถามเขาว่าเออพ่อวีถ้าบอกว่าจะทํานาเนี่ยมีข้าวอยู่ปริมาณหนึ่งจวานเนี่ยจะทํานาในที่ไหนเน่ยพ่อวีเขาก็บอกว่าต้องทํานาแปลงดีสนะิคือแปลงนาของเขานี่จะเป็นแปลงนาที่ใหญ่นะมอพงศ์ถ้าสมมติเราเอาคันนาออกหมดนะแปลงนาสมมุติสักสิบห้าไร่อย่างเงี้ยพื้นใหญ่เลยพื้นใหญ่เลยสมมุติเอาเอาคันนาออกหมดนะนะตรงกลางๆเนี่ยมันจะเป็นที่แอ่ง แอ่งเนี่ยเป็นแอ่งแล้วมันก็จะมีสารอาหารแรงต่างๆไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นดินที่ร่วนเป็นดินที่นิ่มในแต่ต้นขอบขอบของพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นที่ที่เป็นเนินขึ้นไปเป็นที่ดอนแล้วก็เป็นที่แข็งมีหินมีอะไรต่างๆนะเขาบอกเขาจะต้องบานตรงนี้ตรงกลางก่อนอเพราะอะไรที่ตรงดีๆก่อนเพราะอะไรนักถามเขาเขาบอกว่าถ้าสมมติปีไหนมันฝนแรงเนี่ยครับไอตรงที่น้ําดีเนี่ย มันจะขึ้นก่อนนะพอมันโตได้ที่แล้วเนี่ยต่อให้แล้งยังไงมันก็ยังสู้ความแหรงได้อ๋อครับอาตมาก็เลยถามต่อเขาว่าเอาแล้วถ้าปีไหนฝนมากล่ะน้ําน้ําเยอะล่ะทําไงน้ำท่วมเขาก็บอกว่าก็จะต้องทำไอ้ตรงที่มันดินดีก่อนครับทำไมครับเขาก็บอกว่าเพราะว่าเวลาที่มันมันจะโตเร็วกว่าแล้วพอมันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะสู้กับพ้นน้ำพ้นน้ําได้ครับมันจะสู้กับน้ําท่วมได้อนีแล้วเราไปดูเราไปดู แล้ว่าข้าวที่เราหว่านไปหนึ่งเมล็ดเนี่ยนะข้าวเมล็ดหนึ่งเนี่ยนะมรพรรเราเอาไปทิมไว้ในดินนะที่แข็งนะกับอีกเอาอีกมเมล็ดหนึ่งไปทิมไว้ในดินที่มันร่วนเนื้อดีมีน้ําอุดมสมบู ร, รณ์รนะเวลาต้นข้าวมันงอกออกมาแตกกอออกมาเนี่ยนะมนเมล็ดเดียวมันจะแตกออกมาเป็นสี่ห้าต้นอย่างเงี้ยนะไอ้เจ้าดินแข็งแข็งเนี่ยมันจะตอแตกออกมาแค่สองสามต้นต่อช่อออกมายอดมนันนะนะครับแต่ <พอ S 2> ในขณะที่ดิน ด, ดินดีเนี่ย ข้าวที่ไปหว่านในดินดีเอาเมล็ดเดียวเนี่ยนะมันจะแตกออกมาเป็นกอใหญ่เลยกอมันจะใหญ่มากแล้วก็แตกออกมาแล้วเราไปดูรวงที่ออกมานั้นก็จพะพบว่ารวงเนี่ยก็ใหญ่คือหมายว่าในหนึ่งรวงเนี่ยมีปริมาณข้าวเมเล็ดเนี่ยมากมากกว่าเจ้าดินที่ไม่ดีดินะ <langsam> ที่ไม่ดีเอาเมล็ดข้าวเดียวกันเนี่ยเมล็ดข้าวที่ดีๆเดียวกันเนี่ยรวงจะน้อยแตกกอออกก็น้อยแล้วแต่ละกอแต่ละรวงเนี่ยก็มีเมล็ดข้าวน้อย เป็นรวงที่แบบเล็กๆไม่รวงใหญ่นะแล้วในเมล็ดในรวงนั้นเนี่ยมีเมล็ดน้อยแล้วตัวเมล็ดเองก็ยังมีเนื้อข้าวที่น้อยด้วยอ๋อไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เมล็ดแกลบบ้างเมล็ดฟีบบ้างเรเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเมล็ดมันเล็กกว่าในขณะที่ข้าวที่อยู่ในแปลงดีเนี่ยนะรวงใหญ่ด้วยใช่ไหมมีประมาณข้าวเยอะแล้วแต่เมล็ดเนี่ยแต่ละเมล็ดเนี่ยก็มีปริมาณข้าวเยอะด้วยเมล็ดโตบ้างกันเถอะ เพราะฉะนั้นเมล็ดเดียวของชาวนาที่เขาเก็บเอาไว้เนี่ยครับน้ำหวานลงไปในนาเนื้อดีเนี่ยนาแปลงดีเนี่ยนะที่เป็นที่ลุ่มเนื้อดินร่วนเนี่ยก็ปรากฏเข้ามาโอ้โหเยอะไม่ใช่ส<อ>ิบเท่าเป็นยี่สบสิบเท่านั่นเลยครับนะในขณะตรงข้ามที่ว่านาแปลงไม่ดีก็ได้ข้าวน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงต้องบอกตรงนี้ว่าถ้าชาวนาเนี่ยเขาเจอนาที่แปลงที่ดีๆเนี่ย แล้วเขาต้องการข้าวเปลือกยังให้เขาต้องทํานาใช่ครับนะ <Okay. S 1> ผูู้้เช่าเปรียบเหมือนกับคนที่ค้าขายคุณมีสินค้าคที่จะขายเนี่ยคุณไปเจอหมู่บ้านหนึ่งโอโ้โหหมู่บ้านนี้เขียมไว้งกไว้ออโอดไว้ขายไม่ได้ราคานะก็อย่าขายเก็บเอาไว้เดินทางต่อไปเจออีกหมู่บ้านนึงอ้โหหมู่บ้านนี้เขามีความยุติธรรมคนใจบุญสุนทานค้าขายดีนั้นะได้กําไรมากคุณคก็ค่อยขายตรงนั้นอ๋อในะประนั้นถามว่าเราอยู่ในสังสารวัตเราต้องการอะไร ต้องการต้องการบุญนะแทบบุญแล้วต้องการบุญเยอคือคือบุญที่ทําให้เราเห็นอริยสัจสีได้อนะใช่ครับทีนี้พอเราต้องการบุญตรงนี้แหละเราเจอเนื้อนาบุญเราจึงต้องทำบุญอืมอย่ารอช้าใช่พระเจ้าบอกเลยตั้งแต่ตอนที่เป็นโพลิษัทแล้วว่าถ้าเจอเนื้อนาบุญนะโอ้ต้องรีบทําบุญเหมือนชาวนาต้องการข้าวอ่ะแม้เจอนาแปลงดีแล้วไม่ได้หวานข้าวมันหมุนหงิดไม่เป็นอยู่นะหรือถ้าคุณไม่ได้ทํานาคุณทํางานไม่เป็นทํานาไม่เป็นคุณจะ เป็นคนค้าขายอย่างเงี้ยเป็นพ่อค้าเนี่ยคุณแหมรู้ว่าตรงนี้มันอขายได้กำไรคุณต้องรีบค้าขายเลยอย่าเก็บมัวเก็บมัวไว้แต่ถ้าตรงนี้มันไม่กำไรเราเก็บไว้ก่อนนะหรือถ้าคุณเป็นคนเล่นหุ้นน่ะแบงคหุ้นบริษัทนี้ซื้อแล้วมันจะขึ้นมันต้องซื้อสิอย่ารอช้าอย่างเงี้ยนะต้องรีบทำทันดีครับอ่านี่คือเช่นเดียวกันนะว่าเราจะต้องทําตรงนี้นั่นคือรู้จักสร้างบุญสร้างกุศละพอสร้างบุญสร้างกุศลแล้วเนี่ยจิตใจเราดีแล้วเนี่ย นี่คือพูดถึงเรื่องทําทานอย่างเดียวนะรเรายัางมีเรื่องของศีลด้วยในมิตรของการภาวนาด้วยอันนี้ก็ทําให้ได้บุญมากขึ้นด้วยนี่คือประเด็นเรื่องของเนื้อหน้าบุญเนนบุญเนื้อนาบุญเพราะนั้นก็เป็นแง่มุมตรงนี้คอั น, นนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าเราจะทําบุญเราก็ควรจะเลือกเนื้อนาบุญที่ดีเกณฑ์วัดที่เอาสมมติว่าคนทั่วๆไปจะมองว่าเออทําเนื้อนาบุญดีนี้ มีอะไรบ้างครับอ๋อจะจะได้บุญมากหรือบุญน้อยเนี่ยนะคือมันอยู่ที่ผู้ให้ด้วยนะอ๋อคนให้คือนี่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือผู้รับเฉยๆผู้รับนะถ้าผู้รับเป็นเนื้อนาครับคุณเอาเอาดินเอาเอาเอาข้าวมาหวานนะคุณจะได้ข้าวกลับไปเยอะนะแต่ถ้าผู้รับไม่ใช่เนื้อนาดีนะคุณเอาข้าวมาหวานคุณก็ได้ข้าวกลับไปน้อยหรือได้เท่าเดิมครับหรือบางทีเสียด้วยซ้ำในนี่พูดถึงเนื้อนาที่ดีทีนี้ส่วนที่ ต้องมีอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญคือส่วนของผู้ให้ผู้ใหนะ้ผู้ให้ที่เอาข้าวมาหบานออผู้ให้ที่เอาข้าวมาบานวัดจากอะไรครับวัดจากศรัทธาของผู้ให้ศรัทธาของผู้ให้เนี่ยถ้าผู้ให้มีศรัทธาก่อนมากระหว่างก็มีศรัทธามากหลังให้ไปแล้วก็มีศรัทธามากอันนั้นเท่ากับว่าเขามีเข้าเปลือกเดิมที่จะใช้เป็นทุนในการที่จะหวานข้าวเนี่ยมากคเข้าใจไหมเข้าใจครับอเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ย มีประเด็นที่เขาพูดกันอยู่เหมือนกันว่าบางคนนี้ไม่ศรัทธาพระสงฆ์นะอบางคนไม่ศรัทธาพระสงฆ์แต่ว่าชอบไปทําบุญสถานเล่งเด็กกัมพาทําบุญอบ้านคนชราหรือสร้างบุญนิติทําอะไรอย่างเงี้ยนะที่ที่ว่าไม่ใช่พระสงฆ์ที่เป็นผู้รับอนะอันนี้เขาก็อดมาก็ก็เห็นว่าเขาก็ทําดีนะเพราะเขายังให้ทานนะช่สละความตระหนี่นะทีนี้ว่าถ้าถามคนพวกนั้นที่เขาไม่ศรัทธาพระสงฆ์เนี่ยแล้วเขาเอามาทําให้พระสงฆ์เนี่ยต่อให้เป็นพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อหนาว นะถามว่าองค์ประกอบแรกของผู้ให้เนี่ย<อ>คือศรัทธาก่อนระหว่างและหลังของเขาเนี่ยไม่มีไม่ได้คือมีน้อยว่า ง, งั้นเถอะนะต่อให้เขาเอามาทํางานเอามาวานในแปลงนาดีนะเช่นเป็นพระอาารันเป็นต้นนะเขาก็อาจจะได้ผลผลิตที่ดีเมื่อเทียบกับจํานวนทุนที่เขาลงทุนมาแต่ถ้าผมว่าเขาเอาไปทาในสถานที่อื่นนะเช่นว่าสถานเลิ้ยงในกัมพาร์ารหรือว่าบางคุณชราเป็นต้นอย่างเงี้ยนะนะก็เป็นเนื้อหนาคนละแบบ แต่ว่าศรัทธาของเขามีมากศรัทธาของเขามีมากแสดงว่าต้นทุนคือเมล็ดข้าที่เขาไปลงทุนเนี่ยมีมากเท่าดีเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์เอชแล้วเนี่ยอาจจะน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนในเนื้อนาดีใช่ไหบแต่ว่าปริมาณผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยปริมาณบุญเนี่ยก็จะเพราะว่าต้นทุนคุณมากนี่เปอร์เซนตะ์เอชน้อยก็จริงแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็มากกว่า ต้นทุนคุณน้อยแต่เปอร์เซนต์คุณมากอืมครับมอโนบงก็ใช่ไหมแต่สมมติว่าเรามีเงินเราจะลงทุนสักที่หนึ่งอย่างเงี้ยนีเราลงทุนที่1สมมติได้กำลังแค่เปอร์เซนต์เดียวครับเนี่ยคุณลงหนึ่ง้อยบาทคุณได้กลับมาแค่หนึ่งร้บาทอย่างเงี้ยนีแต่ถ้าคุณอีกที่หนึ่งะผลตอบแทนได้ให้ร้อยเเลยครับเนี่ยคุณลงหนึ่งบาทเขาให้คุณ2บาทครับอย่างเงี้ยแต่คุณลงบาทเดียวอ่ะเขาตอบแทนคุณ2บาทนะครับ 2>, 2บาทนะไปเรียบเทียบกับร้อยหบาทนะส บ, บาทก็น้อยกว่าร้อยหบาทอยู่ดีใช่ครับเพราะว่าทุนเริ่มต้นเนี่ยน้อยกว่าใช่เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าคนที่เริ่มต้นนะ่ะคือผู้ให้นะ่นะมีศรัทธาในอะไ ร, รนะนี่เปรียบเทียบ2กรณีรนะคือให้ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งสมมุติว่าถ้าคนที่เขาไม่ศรัทธาพระสงฆ์นี่ยกตัวอย่างให้เจอเลยนะนะเขาเอาเงินไปลงทุนในอขอไปเอาเงินไปให้ทานใานนะในสันเดกับ<ม>กัมพาร้าบ้างหรือว่าบ้านพักคนชราบ้างที่เขามีศรัทธา นะเปรียบเสมือนว่าเขาลงทุนไปหนึ่งร้ยบาทนะผลบุญที่เขาได้ตอบแทนมาอาจจะเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งบาทบอย่างนี้นะเพราะว่ า, าก็เป็นเนื้อนาชนิดหนึ่งเหมือนกันตรงโน้นครับนั้นในขณะที่ถ้าเขามาถวายทานกับพระสงฆ์อย่างเงี้ยต่อให้เป็นพระอาหันต์เลยนะแต่ว่าเขาไม่มีศรัทธาคือไม่มีศรัทธาก็เหมือนกับเขาลงทุนแค่บาทเดียวแต่ผลตอบแทนดีมากเลยนะอาจจะได้เป็นสิบาทคุณลงบาทเดียวคุณได้คืนสิบ็ดบาทอย่างเงี้ยครนะก็คือต้องโอ้โหสิบเท่าแน่ครับ สิบเท่าเนี่ยดีมากๆเลยแต่ว่าคุณลงบาทเดียวครับเพราะฉะนั้นสิบเอบาทก็ยังน้อยกว่าร้อยหนึ่งบาทอยู่ดีเพราะนั้นทุนมามากในในความเข้าใจของผมเนี่ยเนื้อนามหมายความว่าความสามารถของผู้รับที่จะไปสร้างประโยชน์ต่อก็กอใช่เหมือนกันอใ ช, ใ, นใช่ไหมครับถูกต้องเพราะอย่างอย่างพระสงฆ์ที่ดีเนี่ยการเผยแผ่ธรรมะการสอนผู้คนเนี่ยจะแผ่ในวงกว้างเราก็ได้เคยคุยประเด็นนี้อย่างเช่นว่าเราเอา เงินให้ขอทานอย่างเงี้ยที่ทุศีดอย่างเงี้ยเขาอาจจะเอาเงินไปซื้อสิ่งเสพติดนะถ้าไม่ดีไม่ร้ายเออบางทีเราให้น้อยเกินไปเขาด่าเราอีกอย่างเงี้ยใในขณะที่ถ้าเราให้คนมีศีลดีคนดีเนี่ยเขาเอาเงินไปใช้ประโยชน์ได้ดีเขาไม่ด่าเราเขายุ่งย่องสนเสริญเราอีกอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าให้พระอริยเจ้าที่สูงสูงขึ้นไปเนี่ยความต้องการส่วนตัวมันก็จะน้อยลงน้อยลงนะเป็นสร้างประโยชน์เพื่อสิ่งอื่นมากขึ้นอย่างหลวงตาหมาบัวเป็นต้นอย่างเงี้ยครับช่วยประเทศไทยให้รอดพ้น เพราะฉั้นตรงนี้เราก็พูดถึงเรื่องนะนนาพุนตรงนี้ครับนะที่พูดถึงว่าทั้งผู้ให้ด้วยทั้งผู้รับด้วยนะก็มีส่วนสําคัญตรงนี้ครับอ่าแล้วก็ปิดท้ายตรงนี้หมอรัฐพงศ์เรื่องที่สามแล้นเรื่องของการกินเจอ๋อกินเจนิเจะหมดอยู่แล้วครับิดว่าหมดแล้วด้วยทุกวันนี้กระแสกินเจนี่ต้องเรียกว่ากระแสเลยนะครับแรงจริงๆพอหมดเจแล้วก็ทุกคนก็ไปฉลองออกเจนะคซัดหมูซัดอะไรเต็มที่เลยหมเห็ดเป็ดไก่เอ ก็พูดตรงนี้ที่ว่ า, เ, าเรื่องคราวที่เราพูดไปแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะมีเนื้อหาจะอยู่ตรงนั้นแตจะเพิ่มเติมตรงนี้ที่บอกว่าบางคนกินเจเนี่ยนะเพื่อที่ว่ า, เ, าเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้ทานคือชีวิตนะเราก็พูดถึงการเว้นจากชีวิตของเขาเนี่ยเพราะฉพะความตายเฉพาะหน้าเท่านั้นเองในะช่วง10วันนี้เท่านองนที่เขารอดรนะจากนั้นไปวันที่11 ว, วันที่สิมามันก็เสี่ยงต่อความตายอีกละนะอาจจะต้องมีดีมานของเนื้อสัตว์มากขึ้น พอมีดีมามากขึ้นเอาการเบียดเบียนเนื้อสัตว์ก็เริ่มมีมากขึ้นอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับอย่างน้อยคุณแค่ทําให้เขาพ้นจากความตายเฉพาะหน้าแค่ช่วงสิวันนี้ชะลอไปนิดนึงครับอย่างไรก็ตามเราจะให้ทานในชีวิตเนี่ยในชาตินี้ด้วยนะตลอดไปเลยเนะราพูดเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะเพรา ะ, ะเราทําอย่างไรล่ะเราจึงจะให้ทานคือชีวิตเนี่ยได้มากกว่าชาตินี้ไปไปชาติต่อต่อไปชาติต่อๆไปเป็นอเนกชาตโอ้อย่างนี้ต้องเรียกว่าให้ธรรมะไหมครับถูกต้องถูกต้อง เพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยสัตว์แล้วเนี่ยเราพูดถึงคนเราโอ้ยิ่งช่วยคนนี้ยิ่งได้บุญมากอย่างนี้นะใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นช่วยคนยังไงให้พ้นจากความตายได้เป็นอเนกชาติตรงนี้แหละคือที่เราพูดถึงกันให้ธรรมะนะการฝังธ ร, รรมะกันแจกใจธรรมะตัวเองปฏิบัติธรรมะด้วยคให้คนอื่นเขาเห็นเขาทําเขาได้เขาดูเขาเห็น <laughs> เขารู้ขึ้นมาก็จะเป็นการให้ธรรมะช่วยชีวิตให้เขาพ้นจากความตายเป็น อ, นอนเนกชาติครับอือันนี้คนที่จะเห็นประเด็นนี้ก็มีไม่เยอะนะครับเท่าที่คุยอืมเหมือนกับเออเข้า เหมือนว่าทำบุญแค่สบายใจปฏิบัติทําตัวเองสบายอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือตรงนี้ความละเอียดมันก็จะมีลึกซึ่งยิ่งขึ้นไปไงมรพงศ์คือเรื่องความสบายใจบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขอยู่แล้ว<ช>แต่คนให้ทานคุณก็มีความสุขแน่คุณรักษาสิ่ก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปยิ่าเพราะฉะนั้นพอจิตใจเราสาสตร์มากขึ้นคือคนที่ให้ทานไปให้ทานไปเรื่อยๆเนี่ยนะจิตใจมันก็จะน้อมไปในทางปฏิบัติเหมือนกันอย่างหลายๆ ค, คนเนี่ยที่ไม่เคยมาหลีกเลนที่วัดป่าเหนือไนสงศ์เนี่ย สมัยก่อนอาตมาเนะอุ้ยสีใจครับแคบเราเรามีความคิดว่าเอยถ้าใครไม่มาปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่รับทานของเขาหรอกออคือจะไม่รับเงินบริจาคของเขาเพราะเขาไม่เคยมาปฏิบัติรเราคิดว่าเรามีสีใจครับแคบเพราะว่าเราไปห้ามผู้อื่นให้ทานที่ว่าไม่ใช่มีแท้อ๋อครับมีพระสูออุรใช่ครับป ร, กรบากฏว่าคือพอเขาถ่ายทานอยู่เรื่อยๆทำดันอยู่เรื่อยๆไอ้ตัวเขามาเองจิตเขาน้อมไปจิตเขาน้อมในการปฏิบัติเฮ้เราช่วยสนับสนุนทำไมเราจะไม่ไปเนาะตัวเขาคิดอย่างนี้ก็ไปไปเสร็จแล้วตัวเองยิ่งได้เห็นผล ประจักษชัดแจ้งกับตัวเองโอ้ถ้าเราไปห้ามเขานะเรานี่เหมือนตัดทางบุญใช่เราเราจิตใจคับแคบเกินไปเดี๋ยวเพราะฉะนั้นก็จึงคิดว่าเป็นสิ่งดีอ่ะอย่างน้อยเขายังยังไม่ได้เห็นรายละเอียดอะไรที่ลึกซึ้งแต่เขายังทําความดีอยู่เราควรยกย่องเขาเราควรสนับสนุนเขาให้ดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่องเรื่องนี้ขอเชื่อมโยงไปเรื่องที่ระดมทุนเรื่องสร้างห้องน้ำนะครับเพราะว่า ผมว่าอันนี้สงอันหนึ่งคืออย่างคนที่มาทอดผ้าป่าก็คือกลุ่มหมอหมอฟันที่มาด้วยเนี่ยเขาไม่เคยมาที่นี่แต่เขามีศรัทธาบริจาคแล้วก็ก็มีโอกาสได้ชวนมาเขาก็มาแล้วก็เออเขาบอกว่าที่เนี่ยสักวันหนึ่งเดี๋ยวเขาจะตั้งใจจัดเวลามาปฏิบัติเนี่ยโอ้ก็เลยนึกว่าโอ้หนี่อันนี้สงได้กันต่อเนื่องเลยของของการของการถวายทานจิตมันก็จะน้อม ไปในทางกุศลเรื่อยๆมากๆยิ่ง ๆ, งๆขึ้นไปครัับนน้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนั่นนเองครับต้องขาดีขึ้นเนี่ยเราต้องระวังนะคร<น>ับไปถึงเรื่องของลิงตัวนี้ครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะตรงที่ที่มันจะทําให้เราเสื่อมเนี่ยคือลาบสักการะชื่อเสียงสรินเซินยันหยอดนะในขณะเดียวกันกบุญเนี่ยมันอยู่ในใจของเราอยู่แล้วยิ่งถ้าเรามีบุญมากเนี่ยจะทําให้เราสามารถขึ้นได้สูงด้วยซ้ํา แต่เพราะรว่าจิตใจของเราเนี่ยจะ stable จิตใจงเราจะตั้งมั่นมั่นคงได้ในตําแหน่งที่สูงสูงยิ่งขึ้นไปเพราะว่าบุญมันสนับสนุนครับอือคือเรื่องการบุญการสร้างกุศลเนี่ยไม่บอกว่าให้ทํามากโดยไม่มีประมาณได้ใช่ไหมครับถูกต้องผู้รู้เช่าบอกไว้เลยว่าเราเนี่ยเป็นผู้ไม่รู้จักอิ่มจกัมจกพอในกุศลและรรมทั้งหลายครับแต่ไม่รู้จักอิ่มจักพอนในกุศลแะรรมทั้งหลายนี่บอกตอนที่คืนก่อนตรัสรู้โอสมว่าสำคัญทีเดียวอ่าเพราะฉะนั้น สร้างกุศลไว้ดนะีรักษาศีลนะให้ทานด้วยแล้วก็เจริญภาวนาด้วยแนะงยม่มุมอะไรที่ต้องการทราบเพิ่มเติมก็ฟังจากรายการนี้ได้เวทธรรมนะเวทรดอ ม, มที่อพิโซดนี้ได้คแต่เพราะนั้นในตอนนี้อีพิโซดที่9ก้าสิบมาแล้วพงศ์รเราพูดถึงเรื่องของการทดลองสองอของลิง2ตัวลิง2ตัวคือเจ้าแตงกวากับเจ้าองุ่นนะเรื่องความยุติธรรมสามแง่มุมคือเรื่องความยุติธรรมเรื่องของลิงขาลงกับลิงขาขึ้น เราพูดถึงเรื่องของเนื้อนาบุญว่าเนื้อดีนาเลวอ่าผู้รับผู้ให้ด้วยครับเราพูดถึงเรื่องของทางคือชีวิตเป็นการปิดเรื่องการกินเจในในคราวนี้ในปีนี้ครับเพราะฉะนั้นในเอพิโซดที่เกิสนี้ก็มีเท่านี้แหละครับำถามใดๆที่ส่งมาเราก็จะค่อยไปตอบในเอพิโซดที่9ก้าบห้าละกันครับก็กราบน้ำมการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไห่โศกจังหวัดอุดรธานีครับเจนพาน กลับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ